ปักขะปริวาสิกะมูลายะปฏิกัสนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปักขะปริวาสเข้าหาอาบัตเดิมท่านพระอุทายีนั้นกาลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตธิในระหว่างปิดไว้หนึ่งปักบอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกระผมนั้นขอปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงสงได้ให้ปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่กระผมแล้ว กระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแล้วให้สโมทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อน